เป็นสภาวะหยาบก็ตามละเอียดก็ตามเป็นสภาวะจิตที่นิ่งอยู่กับลมตอนนี้จิตตนเองก็จะเห็นลมชัดเจนขึ้นมาเนี่ยจิตระอยู่ภายนยและจิตตั้งอยู่ในฐานองค์บริกรรมเขาเรียกว่าจิตอยู่กับพุโทโธ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 พยายามพราจิตให้อยู่กับพุโทโธก็ไม่ยอมอยู่เพราะอะไรเพราะเราสะสมอารมณ์มากอาติตาอารมณ์อารมณ์เก่าๆเป็นอติตาดำนังว่ะเป็นอารมณ์เก่าๆเราก็ไหลเข้ามากระทบใจใจล้วก็ไหลออกไป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 เมื่อจิตเรานิ่งอยู่ในกายจิตก็เห็นกายเห็นกายเป็นไงเราต้องแก้ไขเยียวยาวอยู่ทุกวันเลยให้ข้าวให้น้ำให้ปะน่งให้ปะหอมให้ที่อยู่อาศัยบำบัดทุกบํารุงสุขทุกวันให้ข้าวให้น้ำทุกวัน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 Mm hmm. เมื่อเราพิจารณาแล้วเนี่ยเราจะได้ขนขวายเอาโูมทมเราจะอยู่ในโูมไหนเราเราจะอยู่ในกามโภมโรภปภู ม, รมหรืออารมปภมถ้าเราอยู่ในกามโภม mm hmm. เราก็อยู่ใน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 เวลาตื่นมาจิตกรปรี้กระเล่าโปร่งใสเนี่ยหลับด้วยภาวนานี่วิธีสร้างบุญเขาเรีย<ม>กว่าสร้างบุญให้กัตนเองอันนี้ถ้าเราศึกษาให้เข้าใจเนี่ยเราสร้างบุญได้ไง่าย<ม>ทำให้ใจเราได้เป็นบุญวันหนึ่งคืนหนึ่งเราไม่ปล่อยเวลาโอกาส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 ตั้งใจให้ใจสงบให้ใจเป็นบุญให้ใจเป็นกุศลอานาจบุญกุศลอันนี้ขอให้เป็นบรารมีธรรมขอให้เราได้มีดวงตาเห็นธรรมคาสอนของพุทธเจ้าอานาจที่เราสงบใจมาขณะหนึ่งที่ใจเราสงบใจเป็นบุญแผ่ไปให้บุปกาดีคือคุณบิดามันดา